พรธรรมเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่29กรกฎาคม2555มีชื่อเรื่องว่าย้ายบ้านให้ย้ายใจ การบวชในคราวนี้ก็คงจะใช้เวลาถึงเที่ยงกว่าถึงบ่ายโมงเพราะฉะนั้นทางในครัวของเราก็ช่วยกันเตรียมอาหารเที่ยงเลี้ยงลูกหลานด้วยนะอย่าลืมเลี้ยงอาหารลูกหลานตอนเที่ยงอาหารเที่ยงวันนี้พอพวกเราคงจะออกไปหาทานอาหารที่ไหนไม่ทนันะเมื่อเที่ยงเสร็จเรียบร้อยเมื่อพระบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะไปส่งที่กุฏิอย่างที่ท่านในอำเภอได้พูด ที่ท่านได้แนะนํเพราะฉะนั้นขอให้พวกนัตธายาติโยมลูกหลานทุกคนการบวชในครั้งนี้เป็นการบวชเป็นตระกูลของเรานามสกุลนามสกุลหรือตระกูลของเราได้นําลูกหลานมาบวชฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนานับว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่พวกเราไม่ใช่ว่าจะได้บวชทุกปีไม่ใช่อพอครบบวช ในตระกูลของเรานานๆจะได้พบได้บวชแต่เมื่อบวชแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลของตระกูลว่าตระกูลของเรานามสกุลของเราได้บวชอุทิศตนไว้ในพระพุทธศาสนาพวกคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกหมู่เหล่าตะ ก, กวนจะอนุโมธนาบุญกุศลเพราะว่าการฝากฝังลูกหลานไวในพระพุทธศาสนาท่้นจัดว่าเป็นทายานะ แต่วพวกเราถ้าอุปธรรมรประทากถวายเจตบุตรใจเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะอันนั้นเป็นว่าพุทธศาสนูปถัมพกเป็นเป็นผู้อุปถัมประทัก์พระพุทธศาสนาแต่ถ้าว่าพวกเราได้บวชลูกหลานเนี่ยนันะตระกูลของเรานามสกุลของเราเดือดเนื้อเชื้อไขของเราฝากไว้ในพระพุทธศาสนาอันนั้นเราบอกเป็นทายาท เนี่ยในหลักของพุทธศาสนาจัทานทว่าเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราได้ฝากฝังทายาทไว้ในพระพุทธศาสนาก็นัว่าเป็นบุญกุศลอย่างท้าว่าพวกเราไม่มีทายาทเข้ามาบวชพวกเราขออนุโมทนาอย่างที่ท่านในอำเภอได้พูดนะแต่ร่วมจะตุปจัจจัยถวายเมื่อท่านบวชแล้วท่านก็จะได้ใช้เนี่ยเป็นข้าอาโหงอาหารปัจจัยสีของท่านอันนี้ก็คืออยู่ณนะสถานที่ใด ไม่ไว่าอยู่เมืองนอกเมืองนาไม่อยู่ว่าอยู่บ้านอยู่ที่ไหนมนุษย์อยู่ที่ไหนก็ต้องได้ใช้ปัจจัยสี่นี่ค็เหมือนการมาอยู่วัดก็จงจำเป็นจงต้องได้ใช้แต่ก็ลดหน่อยมันมันได้ใช้มากเหมือนกับเป็นคารวาสแต่ไม่ได้ใช้ เ, ยเลยอันนั้นคงจะไม่ใช่ละเนี่ยต้องได้ใช้แต่คงได้ใช้น้อยหนอยเพราะเราไม่ได้ออกไปเที่ยวไปเตะที่ไหนอาหารการบริโภคเพียงครั้งเดียว แต่ก็ต้องนี่แหละอันนี้ก็คือจะตุปปัจจัยที่ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาอันนี้คือคือส่วนหนึ่งแต่ก็พร้อมกันพวกเราทุกทุกท่านเมื่อพระเข้ามาบวชแล้วก็ให้ตั้งตั้งใจให้ตั้งใจบวชให้ตั้งใจจริงๆไม่ใช่ตั้งใจเพียงธรรมดาเราก็รู้แล้วว่ามเดือนเราควรทำอย่างไรในสามเดือนเราควรจะทำอย่างไร ควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเราเป็นนักพจนักบวชเนะี่ยแต่พ่อแม่พี่น้องลูกหลานที่อยู่ทางบ้านก็ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงพระของตนเองแต่จะมาจังหันวันเสาร์วันอาทิตย์อันนั้นก็อื่นสุดแท้แต่มาได้แต่ว่าเรื่องห่วงการเจ็บไข้ได้ป่วยทางโรงพยาบาลหรือว่าทางวัดของเราก็มีที่รองรับไว้อยู่เพราะว่าพระของเราก็มีจานวนมากแต่และปี แล้วก็ทั้งห น, าน้าแรงหน้าฝนพระของเราก็ไม่เคยขาดสามสิบยี่สิบสามสิบองค์อยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาบวชปีนี้ก็ลุงพ่อ น, นับนับดูประมาณสักสี่สิบกว่าองค์พระปีนี้นะแต่ก็พูดที่จะมาใส่บาตรก็อย่างที่ลงุงท่านในอำเภอได้พูดว่าถ้าว่าผู้ที่จะมาใส่บาตรก็ให้นับพระวันเข้าพรรษาจะรู้ได้แต่บิณฑบาตนอกวัด ที่นั่นที่หน้าที่หน้าวัดที่เป็นกระต๊อบที่เป็นเพลิงพระจะบินทบาทรับบินทบบาทที่นั่นถ้าเราจะใส่บาทพระทุกให้ครบทุกองค์ก็ควรจะถามวาพระในวัดของเรามีเท่าไหร่แต่ตามไม่จริงก็พระองค์บินทบบาทไม่ครบกัแต่ละวันเพราะท่านอดอาหารของท่านบางบางทีก็สิบกว่าองค์บ้างบางที่ก็ห้องค์บ้างโดยมากจะไม่ครบบินทบบาทจะไม่ครบแต่ถึงยังไงก็ถามถามเอาไว้ ก็ดีเมื่อเราจะมาใส่บาตรในพรรษานะแล้วก็เรื่องต่างๆที่ท่านในอำเภอได้พูดวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์อะไรเนี่ยเขไม่ให้พระใหม่ใช้เพราะมีจิตใจว้าวุ่นอ้างว้างอยู่แล้วถ้าหากว่ามาอยู่ในป่าดงอย่างนี้โทรศัพท์ทั้งวีทั้งวันเราเราจะได้ปฏิบัติธรรมอย่างไรอันนี้ทงพ่อก็ในคิดเหมือนกันเพราะนั้นขอให้คณะทัตไทยญาติโยม ทุกหมู่พกเราที่เป็นญาติโกหติกาของพระใหม่สรุปแล้วคือไม่ท่องห่วงแต่ก็อดห่วงไม่ได้หรอกแต่ว่าถึงยังไงยังไงก็ถ้ามีอะไรทางในวัดก็จะช่วยดูแลเพราะพร ะ, พระคูบาก็มีหลายองค์ที่ดูแลอยู่แล้วแต่ข้อสำคัญกันเนี่ยอยากจะให้พระของเราบวชเข้ามาแล้วสมบูรณ์แบบ ท, ที่สุด ให้เป็นพระที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้เป็นพระที่อยู่ในหลักพระธรรมพินัยมากที่สุดแต่มากที่สุดคํานี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะจัตยาญาติโยมพี่น้องพ่อแม่พี่น้องของนาคด้วยของพระใหม่ด้วยต้องให้ความร่วมมือทางฝ่ายพระสงฆ์นั่นถึงจะมีกฎขนาดไหนแต่พ่อแม่พี่น้องอไม่ให้ความร่วมมือมันก็คงจะเป็นกฎระเบียบที่ ชัดเจนไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทุกหมู่ทุกเราเนะี่ยให้ช่วยๆกันดูแลบํารุงพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของหลวงพ่อองค์เดียวนะไม่ใช่ของหลวงพ่อองค์เดียวเป็นของพวกเราทุกคนเรีว่าพุทธบริษัทคำว่าบริษัทคือบริษัททางร้านบริษัทจำกัดแต่ละบริษัทนี่ศาสนาคิดเขาคิดทบบริษัท อิสลามบริษัทซิตบริษัทพราหม์บริษั ท, ษทอันนี้พุทธบริษัทบริษัทก็คือบริษัทจำกัดเป็นหน้าที่พวกเราที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือเข้ามาในกลุ่มนี้กลุ่มที่พุทธบริษัทเนี่ยพวกเราทําหน้าที่อย่างไรแต่แต่ละบริษัทเขาก็ต้องมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของเขามีเครื่องหมายของเขา อย่างพระพุทธศาสนาในเครื่องหมายของบริษัทพุทธบริษัทที่นำหน้าก็คือผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดเนี่ยที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นผู้นําในบริษัทเป็นผู้นําอยู่ข้างในจากนั้นพวกเราท่านทั้งหลายสตรายาจมกับนับถือพุทธบริษัท4ของพระพุทธเจ้านะเพราะนั้นขอให้ทำให้ถูกกฎระเบียบถูกกฎเกณฑ์และก็พร้อมกันหลวงพ่อเองอยากจะ กล่าย้ำเตือนพี่น้องลูกหลานคณะสัทายาญาติโยมบางทีบวชแล้วอาจจะมาได้มาวัดหลวงพ่ออีกหลวงพ่ออยากจะเตือนวาในพรรษาที่จะถึงนี้วันนี้เป็นวันที่29แล้วก็วันที่สองเป็นวันอาสาระหะบูชาวันที่สเป็นวันเข้าพรรษาอยากจะให้คณะัทายาญาติโยมทุกทกท่านที่มานั่งอยู่ณที่นี้ในพรรษานี้เราจะมีกฎเกณฑ์ สําหรับตัวของเราอะไรบ้างนี่กฎเกณฑ์คืออะไรเราจะสร้างคุณงามความดีแล้วจะสร้างสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราได้อะไรบ้างแต่พวกเราอยู่ข้างนอกมีแต่ท ร, รมาค้าขายท ร, รมาหาเลี้ยงชีพรำมาหาเลี้ยงชีพก็คืออะไรคือหาเงินพอหาเงินได้แล้วก็ซื้ออาหารซื้อข้าวน้ําโภชนาอาหารแล้วก็สร้างที่อยู่อาศัยซื้อเครื่องนุ่งห่ม เชื้อผ้าแล้วก็ซื้อยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอันนี้คือปัจจัย4ี่แต่พวกเราขาดการดูแลเรื่องอาหารภายในคือใจอาหารภายนอกคือปัจจัย4ี่อาหารใจอาหารกายมันต่างกันนะอาหารกายก็คือปัจจัย4ีอาหารใจน่ะคือศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจอันนี้พวกเราจะต้องได้ไดรับการศึกษานะ ถ้าเราศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าอาหารกายนั่คือส่วนหนึ่งอาหารใจนั่คืออันหนึ่งมันคนละอันกันแต่ส่วนอาหารร่างกายเนี่ยเงินเนี่ยถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเลี้ยงร่างกายไม่มีใครที่จะหนุ่มไปข้างหน้าเมื่อเลี้ยงไปเลี้ยงไปห้าหกสิปีหรือแก่ไปแก่ไปส่วที่สุดถึงจุดจบอันนี้คือเลี้ยงร่างกายนี่ถึงจุดจบแต่ใจคือนามธรรมนั่น่ะ เอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจเอาศินสมาธิปัญญาเข้าสู่จิตใจเมื่อจิตใจของเราได้รับการอบรมที่ดีใจของเราจะได้รับความสุขสุขใจนะสุขใจกับสุขกายมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนการต่างกันอยู่นะอย่างสุขกายคือสุขหนึ่งสุขใจก็สุขหนึ่งสุขกายก็คืออย่างพวกเรามีเงินคําทรัพย์สมบัตินะมีมากมายแต่ว่าใจของเราทุกนะเออมันมีทุกในใจ ถึงจะมีมากขนาดไหนมันก็หาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงจึงจะให้สุขใจเราต้องศึกษาธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางะวางยังไงปล่อยยังไงเนี่ยเราพูดไปจะยิ่งงงไปอีกเลยทีนีเน้เพราะฉะนั้นให้เราศึกษาในหลักธรรมพวกเราจะรู้ได้ววิธีการปฏิบัติต่อตนเองนะ่รทำอย่างไรแต่สรุปแล้วก็คือให้รู้ว่าอาหารกายอันหนึ่งอาหารใจส่วนหนึ่ง นี่และพวกเราในพรรษานี้เราควรจะหาอาหารกายของของเราเป็นพื้นฐานซะก่อนเนะ่ยเราควรจะทําอย่างไรหลวงพ่อว่าอันดับแรกก็คืออยากจะให้พวกคณะรัตยาญาติโยมเป็นพุทธบริษัทอย่างที่ว่าก่อนหลับก่อนนอนก็ควรจะไหว้พระทุกวันได้ไหมในพรรษาและก็ตื่นนอนตอนเช้าไหว้พระทำวัดเช้าอรหังสวาคะโตสุปฏิปโนถึงจะไม่มากก็ให้ไหว้พระทุกวันได้ไหมในพรรษา จากนั้นก็ในพรรษาเนี่ยข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดไต ร, ต ร, ตรมาสสมเดือนผู้มีอายุหน่อยนะเรียกว่ารักษาศีลอุโบสถรักษาศีลแปดทุกวันพระได้ไหมแล้วเราจะใส่บาตรทุกวันที่พระผ่านหน้าบ้านของเราใส่วันละองค์ได้ไหมคือในพรรษานี้ไม่ให้ขาดอย่างนี้ด้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็พวกเราทุกคนเราจะงดสุราเด็ดขาดในพรรษาสามเดือน พอเราดื่มสุราปะปลายบางทีดื่มไปบ้างแต่ไปเลี้ยงสังสรรค์แต่คราวนี้ในพรรษาเนี่ยเอาเถอะข้าพเจ้าจะงดบุหรี่รดจะงดเหล้างดสุราโดยเด็ดขาดและข้อพร้อมกันให้งดบุหรี่ด้วยก็ดีเพราะบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ก่อนเราจะงดบุหรี่โอ้โงดยากเหลือเกินแต่ว่าในพรรษานี่เอาเถอะสมเรือเนี่ข้าพเจ้าจะขันสนอเรื่องพวกเชือกเชือกมัดตัวเองเลย จะไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับปุรีโดยเด็ดขาดทดลองดูซิสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนประกอบคุณงามความดีและก็พร้อมกันในพรรษานี้ข้าพเจ้าไม่เคยไปกราบไปไหว้พ่อแม่นานทีเอาเถอะในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะถือเป็นศักจิ์เเลยในวันอเสาวัวนเสาาพ่อแม่พ่อตาแม่ยายยังมีอยู่ เราก็จะพาลูกพาครอบครัวไปกราบพ่อตาแม่ยายพอวันอาทิตย์เราก็จะพาครอบครัวลูกหลานลูกๆของเราไปกราบปู่ย่าตายายไปกราบปู่ย่าฝ่ายผู้ชายนี่แหละถ้าว่าพวกเรามีจิตตั้งจิอตอธิษฐานไว้อย่างนี้แล้วเดือนละครั้งหรือว่าสองอาทิตย์ต่อครั้งก็ยังดี อันนี้พวกเราจะได้รับความอบอุ่นต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายเขาลูกของเราที่เราเคยพาเขาประพฤติปฏิบัติแล้ว เ, เขาก็จะพาดําเนินพาลูกของเขามากราบมาไหว้เออมันเป็นทายาทแต่ว่าเป็นกรรมโมนีนาวัตตีโลโกสัตว์โลกต้องไปเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทาไว้ถ้าเราเราไม่ สนใจแล้วไม่ใส่ใจกับปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเรานะลูกของเราก็ไม่ใส่ใจกับเราเหมือนกันอนยะ่างเพื่ออะไรเพราะว่าเราทํากรรมอย่างวันอย่างนั้นไวในเมื่อเราทํากรรมไม่ดีอย่างนั้นไวเนี่ยเขาก็ทํากรรมไม่ดีเขาไม่รู้จักเราอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราควรจะทําตัวให้เป็นตัวอย่างของลูกของหลานเมื่อเราเป็นทำเมื่อเราทําตัวเป็นตัวอย่างของลูกของหลานแล้วลูกหลานก็จะได้เดินตามหลังของพวกเรา นี่แหละในพรรษาถ้าว่าใครไม่คิดก็ควรจะคิดนะอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเพราะฉนั้นอันนี้คือคือล้วนแล้วแต่เป็นคุณงามความดีไม่ใช่ว่าปีไหนก็ปีเก่าเม่อพรรษาผ่านไปก็ไม่ได้ทำอะไรผ่านไปแต่วันคืนเดือนปีผ่านไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ผ่านไปแต่เดือนวันคืนเดือนปีนะชีวิตของพวกเราจะต้องผ่านไปด้วยนะปีนี้พรรษานี้แก่กว่าปีที่แล้ว ปีหน้าแก่กว่าปีนี้มันจะแก่ไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราควรจะเตรียมตั่วเอาไว้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เพราะหลักของพระพุทธศาสนาเ อ, อท่านพูดไปแล้วว่าตายแล้วไม่สูญเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ย้ําแล้วอีกย้ํําย้าแล้วใช่ไหมว่าพระพุทธศาสนา ส, สอนว่าตายแล้วไม่สูญนะคณะสัตยายาติโยมเอตายแล้วเกิดอีกนะเ อ, อแน่นอนเ อ, อไม่เป็นอย่างอื่นพวกเราอยากจะรู้ให้นั่งภาวนา ถ้าจิตใจสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองตายและเกิดได้ตายและสูญเพราะนั้นพวกเราคิดว่าตายและสูญก็ไม่ไม่ได้คิดจะสั่งสมคุณงามความดีก็เลยตําเลยเลยตําเลยแต่ถึงวันนั้นน่ะพอออกจากร่างมนุษย์ไปแล้ว น, ะนั่นแหละเทนเงินจะติดกระเป๋าก็ไม่มีบุญกุศลจี่ติดจิตติดใจก็ไม่มีพวกเราจะได้รับความเดือดร้อนความทุกข์ต่อไปภายภาคหน้าแตถ้าว่าพวกเราได้เตรียมพร้อมตั้งแต่บัดนี้ เมื่อพ้นจากพบนี้ชาตินี้ไปแล้วอเราก็จะได้รับแต่วความสงบร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับพวกเราเนี่นะใครว่าพ้นเขตประเทศไทย <Yeah. S 1> เข้าไปประเทศลาวถ้าเมื่อเรามีเพชรนินกินดามีเงินติดกระเป๋าไปมีของที่มีคุณค่าติดกระเป๋าไปไปถึงเมืองลาวเราก็ซื้อแลกเปลี่ยนสิ่งของเขาใช้ได้เพราะอะไรเพราะเรามีของมีสมบัติ แต่พลโลกภายภาคหน้านะประโลกเมืองหน้านะไม่มีโจษไม่มีผู้ร้ายนะไม่มีใครคดไขรโกงใครใครมีสมบัติยังไงก็อยู่กับตัวคนนั้นไม่มีใครจะมายื้อแย่งหรือว่ามาแย่งชิงของเราไปได้เรื่องบุญกุศลนะเป็นของใครของเรานี่ก็เหมือนกันพอเราออกจากประเทศไทยไปสู่ประเทศเลาวเราก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งของเขากินได้เพราะอะไรเพราะมีสมบัติติดตัวไป ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้คิดอยู่เมืองไทยก็มาที่คิดไม่ได้อ่านไม่ได้หาอะไรไ ม, ไม่คิดว่าจะไปเมืองลาวอีกต่างหากไม่กล้ว่าจะไปข้างหน้าอีกต่างหากพอเราตายไปแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปพวกเราคิดดูให้ดีที่ว่าไปข้างหน้าแล้วจะมีความทุกข์ขนาดไหนถึงเพราะไม่มีสมบัติติดตัวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะมาเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบประธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนให้พวกเราให้ศึกษานะศึกษาและก็ลงมือปฏิบัติถ้าเมืองพวกเราปฏิบัติแล้วพวกเราจะรู้ได้จะเห็นได้จะสัมบัติจะสัมผัสได้ด้วยตนเองนะมตอนนี้ไปคณนะสงฆ์จารุมุธนาให้พร